ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายท่านลูกหลานที่รักเมื่อวันก่อนลุงปู่ได้เล่าเรื่องมโหสถบัณฑิตตอนที่พระเจ้าจุลนีพมทัดกับเจ้าเกวัตเท่าสาราพัดผิดคิดไม่ดีไม่ใช่มีร้ายนะมมนคิดไม่ดีแต่ว่าคิดร้าย หวังจะทำลายอิสรภาพของคนทั้งโลกให้เป็นแทบ้เป็นท่ า, ทาของพวกรรมันแต่พวกเดียวและก็หลอกกลวงบัมเบิทั้งหลายจนอย่าสู้เมื่อเรายึดได้แล้วยอมไม่ไม่ไม่ไมไมสูร้รบ ก, กับเราความตําแหน่งเป็นพระราชาก็เป็นพระราชาตามเดิมแต่ว่าเราขอทรัพย์ถินนั่นหลายเป็นพวกเราก็แล้วกัน แล้วมันก็คิดหักหลังจะฆ่าพระราชาทั้งหมดโดยชวนมาดื่มน้ำสาบานกันแล้วก็จะเอาอยาพิษใส่เรื่องนี้เพื่อฟังฟังกันไปลูกหลานที่รักก็ไม่ต่างอะไรกับเมืองลาวกับเมืองเขมรที่เจ้าพี่เจ้าน้องเจ้าสุภานวงศ์กับเจ้าอะไรนะ เจ้าสุภาณวงกับเจ้าสุวรรณภูมาถเจ้าพี่เจ้าน้องสองเจ้านี่ก็อาศัยความโลภในความเป็นใหญ่ทะเลาะเบาแวงกันเอาคนอื่นเขาไม่ช่วยชักน้ำเข้าลึกชักสึกเ ข, าาข้ามันก็หวังความเปนใหญ่ในที่สุดคนลาวทั้งชาติตกเป็นท้ายเขา ทรัพย์สินต่างๆเขาจะเอาอะไรก็ต้องตามใจเขาอาณาที่สุดธิเขาก็เรียมีสมรดาคนทั้งหลายก็กลายเป็นทาตุเขาไม่คิดว่าเป็นคนเขาคิดว่าเป็นวัตถุเขาจะใช้อะไรยังไงก็ได้ทรัพย์สมบัติมีเท่าไรเขาก็เอาหมดอาหารเขาก็กําหนดให้กินงานเขากําหนดให้ทําทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสรภาพ ลูกสาวใครหลานสาวใครก็าตามเขาก็ตั้งวิธีการใหม่ใช้วันนอนสามัคคีอยากจะได้สตรีคนใดไปกบ ก, ก็ไปกกได้นอนสามัคคีมันนอนสองแสงเพระแสงสว่างมั่งหมายความว่าเจ้าเฒ่าแก่ทแก่ที่แก่ทีาา่กท่แก่ที่แก่ที่แก่นี่แก่ที่นนนนแก่ทีนแก่ที่แก่ที่แก่ทียแก่ที่แก่ที่ากนท้่แที่แกกที่ก่แแ่่ี่ก่ก เรียกว่าทำกันแบบ ส, สบายๆเหมือนกับคนลาวคนลาวไม่ใช่คนเป็นอันวัลาวคนดีโยนก็ดีเขม่งคนดีเพ่นนีเพื่อพลาดเพื่พลา ด, ลาดไปอยู่ประเทศไทยบ้างไปประเทศมาเลเซียบ้างไปอินโดนีเซียบ้างไปญี่ปุ่นบ้างไปฟินแลนด์บ้างไปอเมริกาบ้างไปกันทั่วโลกไปก็นในความลําบากยากแสนที่ว่าไปมีสรภาพกับพอ นี่พระเจ้าจรณนีพรมทัตเชื่อเจ้าเกวัแตแล้วเมื่อยึดได้แล้วมรสาสัจามาไรมันตั้งใจจะฆ่าคนเท่าพระราชาทุกประเทศให้ตายให้หมดเพระกราชาตายนายทหารผู้ใหญ่ตายคนที่มีมันสมองตายหมดเหลือต ร, ร, ราสตรดอนธรรมดามันก็ปกครองแบบสบาย แล้วเราเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์สินนั่นหลายมันก็เอาหมดคนทั้งหมดก็ต้องตกเป็นทาสโลกหลานที่รักลัทธิประเภทนี้เขากำลังมาประกาศในประเทศไทยโลกหลานนั่งหลายแย่เชื่อเขานะว่ามันจะดีมันจะเด่นเวลานี้เราจะกินอะไรแล้วก็กินได้มันจะกินเมื่อไรจะนอนเมื่อไรจะพักผ่อนเมื่อไรจะเที่ยวเตะเมื่อไรก็ได้ตามความประสงค์ ถ้าหากว่าประเทศเของเราต้องตกลงไปอยู่ในเงือมมือของข้าสึกอย่างลาวอย่างคำเมนและยุในใต้ดูเขาเป็นตัวอย่างเวลานี้ก็ยังมีที่ประเทศไทยก็คล้ายๆกับเมืองวิทีลามหาคนครยังเป็นอิสรภาพอยู่จุดเดียวแต่เราจะไกล่าวถึงมาเลเมาเลเซีย ว่าสิงคโปร์ไม่มีความหมายเพราะเป็นประเทศเล็กนิดเดียวถ้าประเทศไทยสลายตัวมาเลยทูเขายึดมาเลยสองประเทศนี้กหมดมานั้นเราจะไปขอกําลังของสิงคโปร์รือมาเลเซียมาช่วยเราดําหมดหวังเพคนเขามีไม่กี่ล้านคนทั้งเรามีทั้ง 40-44 ล้านคนถ้าคน44ล้านคนไม่มีความสามัคคี ไม่ชาของเราก็ต้องเป็นไทายชานั้ำหมดเรามาคิดอย่างนี้ดีกว่าคิดว่าคนไทยเราเราเป็นไทยไม่ใช่ทาตถ้าใครจะนําเราไปเป็นทาตเรายอมตายดีกว่าแต่การตายนี้ต้องตายอย่างคนไทยไม่ใช่ตายอย่างทาตหมายความท่าจะตายก็ต้องสูซกันให้ถึงตาย ก่อนที่เราจะตายต้องทำลายศัตรูให้ได้นี่พูดกันตามมติของชาวโลกนะแต่ฝ่ายพระเขาไม่พูดเลยอย่างนั้นหรอกพระเป็นคนอืนเรื่องพระถือเป็นกฎของกรรมถ้าถ้ากรรมไม่แบมันก็ไม่แลเหงกรรมถ้ากรรมแล้วแบมันก็แลเหงกรรมแต่หมายความว่าถือว่ากฎของกรรมกรรมอย่างเดียวไม่ได้พระก็มีหน้าที่ในการโซฆะ อ, อนคฆ ให้คนมีความสามคัคคีให้คนมีความเข้าใจดีในความเป็นไทยช่วยประครับประคองคนไทยได้วยกันให้มีความสามคัคคีช่วยธนุธนองกำลังใจกันให้มีความสุขเมื่อคนที่เขามีคณเขาใส่บาทให้กินเขามีความทุกข์พระก็ควรจะบอกบนกับคนที่เขาไม่กิน ให้ช่วยคนที่ไม่มียากินคนที่มีความทุกข์ให้มีความสุ ข, ขึันมาเพื่อรักษาความเปลี่ยนไายไว้มั่นถึงยะถูกเล่าเรื่องกันต่อไปผู้ทหารที่มโหสถได้ตั้งไวไป้ประจำเมืองต่างๆเพื่อสืบเพื่อสืบ ข, ข่าวข่าวนั้นตางก็ส่งข่าวไปถึงมโหสถว่าท่านมโหสถบัณฑิตขอได้โปรดทราบว่าบัดนี้พระเจ้าจุนนีธรรมทัต ผู้ครองอุตรปัญจาระนณะครนได้ยกกองทัพคม้ายุธนครต่างๆได้โดยสิ้นเชยงแล้วขอท่านบัณฑิตอย่าได้ประมาทเพราะว่าสักวันหนึ่ ง, งนณาจะต้องถูกกองทัพของพระเจ้าจุลนีสมรทัดยกเข้ามายึดยึดเมืองมิถิลามานครเป็นแน่ไม่ต้องคิดแล้วมโหสดคิดแล้ว ก็โหยสดบันฑิตไม่รับข่าวจากทูตทหารเมืองต่าง ๆ, ๆจึงได้ส่งข่าวต่อไปว่าท่านยาได้วิตกเลยเรื่องนี้นะฉันเตรียมพร้อมไม่ทุกประการเรียบร้อยแล้วว่าแต่ผู้ท่านจะทำประการใดอย่าให้เขาจับได้นะจงอย่าประมาทนะรือว่าเดีย๋ยวจะเสียทีเขา เป็นอนมตะมโหสถลอบครอกนี่งไถ้าประเทศเรานะมีคนฉลาดอย่างมโหสถแต่ว่าอย่าไปเชื่อไอ้ไอ้คนฉลาดฟินปลอนนะตาหลบตาแรงพูดไม่มีจังหวะแจกคนตัวพูดไม่รักษาสัจจวัาจาไอ้คนประเภทนี้ก็ไม่ใชคนฉลาดเขาเรียกคนเขาเรียกอะไรคนกลับกลอก เ, เวลานี้ประเทศเรา เทงกับไปเที่งกันมาไอเรื่องรัฐธรรมนนทเวลานี้ที่ท้องโพธิ์นี่มันเป็นเดือนตุลาคม2521แต่เดี๋ยวว่าลูกหลานจะฟังอะไราในเรื่องนี้เพราะเสียงนี้มันชท่ห่วยไอเรื่องที่ใจคิดป้องกันว่าเทศทำไมคิดคิดอย่างเดียวเทียงกันอย่างนั้นเที่ยงกันอย่างนี้รัฐธรรมนนก็เป็นนังสือ รัฐธรรมนูญเหมือนกับเครื่องแต่งเครื่องแต่งตัวมันก็เสื้อมันก็นกางเกงไอการปกครองการอยู่ประสุบยาดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่คนเราดูกันละกันคนคนที่เขาว่ารัฐธรรมนูญไม่ดีเนะี่ยคนนี้มีประวัติเป็นประกันใดมาก่อนเคยบริหารประเทศมันแล้วแต่ว่าจะทําประเทศให้ล่มจมเออกลับมาติอย่างนั้นเตียนอย่างนี้ทําไมยังไม่ดูตัวบ้าง ถ้าถ้าเขามองหน้าของเขาสักนิดเดียวว่าประวัติเดิมนะเนี่ยก็สร้างความเสียหายอะไรมาบ้างและเวลานี้มาฟะเยอะปากพูดอะไรนั่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีหลวงปู่ว่าไม่มีความจําเป็นแล้วถ้าธรรมนูนจะเขียนยังไงก็เขียนไปแต่ขอให้คนดีซื้อสะอาดสุดจริตมีความไม่ประมาทจมะมโหสถบันิตใช้ปัญญาอย่างนี้ใช้ได้และธรรมนูนไม่มีก็ใช้ได้ เมื่อก่อนนี้เขาปกครองกันไม่มีรัฐธรรมนูญเคขายังปกครองกันมาได้เปน็นอันว่าพระเจ้าจุลนีธมพมทัดยกกองทัพไปยึดเมืองต่างๆได้แล้วเอาละอีกคราวนี้เข้าถึงมิทิลามาใ น, นครนใช้เวลาเจ็ดปีเจ็ดเดือนกับเจ็ดวันแม้ที่นักเล่นหัวจะเปลอเจ็ดเจ็ดเจ็ดเดท่านั้นกินหมดก็ได้รับ ได้อะไรเนะียได้รัฐทสมบัติอย่างนี้นลูกหลานก็ไม่เรื่องได้ทั้งเมืองได้ทั้งสมบัติในเมืองนั้น น, นทั้งหมดเว้าไม่แต่ตรงมที่ลามานครยังไม่ได้ยกทัพไปยุดจึงปรึกษากับเกวัตปรุริตว่าท่านปุโรหิต บัดนี้เรายึดพระนครต่างๆมาได้หมดแล้วยังเหลือกรุงธิิลามานะคร อ, อีกเมืองเดียวเท่านั้นเราเห็นว่าควรจะยกกองทัพไปยึดพระนครเข้าไปเจ้าวิทธิราชนะึกกรุงธิลาอีกท่านจะเห็นเป็นประการใดความจึงไม่ยึดมาได้ทั้งร้อยเมืองแล้วนะ อีกเมืองเดียวทีวม่มืองกรย์เหมือนก็เมืองไทเนี่ยเขายึดกันมารอบๆเหมือนเมืองเราเมืองเดียวแต่ไมราสเซการีหา่าอังกฤษกรุงเกศยึดไปรอบเขตประเทศของเราเรายอมเสียเนื้อเสียหนังไปนิดหน่อยโดยยอมเสียอวัยวะดีกว่าเสียชีวิตเราก็ตั้งตัวไปอนสารภาพเป็นเอกสาชไปได้ดูที่ว่าเกวะจะทํำยังไงต่อไป เกวัตโรเอกาทุนคัดค้านค้านว่าข้าแต่ประหราชเจ้าการที่จะยกกองทัพไปตีเมือมเชลานั้นเห็นจะหนักอยู่เฉลามไม่กันเฉลามไม่กันแต่เฉลาดไม่นาไม่ไม่เก่งนักเพราะว่าในเมืองนั้นมีคนสำคัญอยู่คนหนึ่งคือมโหสถเอเม ถ้ามีคนฉลาดถึงไแม้ว่ามีอำนาจมากมีกำลังมากเขาก็ไม่กลา้าในเมืองเรานี่มันฉลาดทุกคนฉลาดแกมโกคนที่ฉลาดดีๆเขามีคนทำดีอาบเงิอต่างน้ำงานบริหารคนดีเข้าถึงไม่ชายชนได้พวกทรชนคนชั่วมันก็ด่าว่าตำหนิตีเตียนอ แปลกไอ้เวลาที่ตัวบริหารประเทศประเทศชาติาตจะคิบหายมันได ย, ยังไงไม่ได้คำนึงถึ ง, งขออย่างเดียวให้ตัวร่ำรวยเท่านั้นมี่พูดมา่สมัยหลายร้อยปีมาแล้วนะแต่ว่าสมัยวัชชาที่ว่าแต่นี้เขาคงเย็ยนดีรงบปู่เป็นภาะเส็แล้วมาได้สนใจเรื่องการเมืองเป็นอนว่าก็บอกว่าโมโหสถบัณฑิติไม่แน่ไว้ใจไม่ได้คนนี้เก่ง ถือว่าเป็นบัณฑิตคือเป็นคนเฉลี่ฉลาดประจำพระราชสำนักเป็นคนมีความรู้และก็ฉลี่ยฉลาดอุบายเป็นอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งราชสมบัติในมิถิลานาฬามหาคนครก็มีเพียงเล็กน้อยไม่คุ้มกับการที่เราจะต้องเสียกําลังในการรบครั้งนี้แม้จะได้ราชสมบัติมาข้าพระพุทธเจ้าฝืิ่นด้วยกล่าวว่า ไม่ควรจะยกกองทัพไปยึดมองซิลามานครตามเหตุคนที่กลัาคทูลมาแล้วพจะเจ้านนี่เขาจะเล่นลูกไมไม่ได้ด้ยวยเลขอาิด้ณไม่ได้ด้ยวยเมืองก็ด้วลักขานเขารู้ว่ามโหสถไม่ติดเป็นคนฉลาดกองทัพถึงแม้ว่าจะใหญ่โตมหาศาลแต่ว่าท่าเมืองนั้นเขาสามะขี่กันแล้วก็มีคนฉลาดเป็นผู้ัญชาการ จะทำยังไงมันก็ไม่สำเร็จมีทางเดียวคือแพ้เหมือนกับนายทหารของเราคนหนึ่งในสมัยที่ไปรบประเทศใกล้เคียงสมัยนั้นเป็นผู้องคับการกรมผสมประท ะ, ะกับข้าศิกระหว่างกรมต่อกรมรบกันอยู่ได้สามวันยังไม่สามารถจะชนะข้าศึกได้เด็ดขาด แต่ว่าสัตว์หายของเราสามารถสังหารข้าวศึกได้มากมายวันที่สี่ต่อไปผู้บังคับการรงคิดว่าจะต้องทำลายข้าสศึกทั้งหมดกลมจริงจริงได้ใช้กลยุทธ์เพียงแค่วันเดียวปรากฏว่าข้าสศึกไยเหลือเล ย, เลยตายหมดทั้งกรมนี่คนดีของเรามีอยู่แต่ถ้าว่าคนในประเทศไทย ที่มีความเป็นใหญ่เขารู้จักคนดีหรือเปล่าก็ไม่ทราบคนดีมีความรู้คนดีที่มีความสามารถคนดีที่มีความฉลาดในประเทศไทยนี่มีเยอะไม่ใช่มีแต่จะงงดึกดาบรรคิดทเยอะทะยานอยากเป็นใหญ่แต่เวลาที่าบบริหารประเทศไปบ้านเมืองจะคิบหายมันลายยังไงเขาช่างนคนประเภทนี้เขามองกัน แต่ว่าคนดีมีความสามารถมีความฉลาดทั้งในการทหารในการเมืองคนประเภทนี้ไม่ค่อยยังมีใครมาถ้าคนประเภทนี้โผล่ขึ้นมาเขาก็หาว่าเป็นผนดจ ก, การบ้างละเป็นอะไรต่ออะไรบ้างละในการปกครองแม้แต่เป็นประชาธิปไตยมันก็เป็นผนดิ ก, การเพรว่าถือพวกมากถ้าพวกไม่มากก็จ้างเขา เอาเงินของชาติเอาเงินภาษีก่อนเขาลดสไปจ้างจ้างคนให้ช่อยยกมือมันก็ผดด ก, การนั่นแหละแม้ว่าเป็นการปผดด ก, การแบบการจ้างออนี่เป็นเรื่องของการเมืองจะไปย่องเลยแต่บอกให้ ล, ลูกหลานฟังเขายกมือทีราคาเท่าไหร่เพ ร, ะราะอาจจะเป็นอย่าคัญหนึงคนเ ข, ขาตีราคามือกันให้เท่านั้นก็ยกมือ ฝ่ายที่เสียไม่ได้เสียเงินกระเป๋าของตัวเองเป็นเสียเงินของพวกเราเอาเงินของเราจ่ายเพื่ออำนาจของเขาไม่จะมีประโยชน์อะไรอย่างนี้ถ้าเป็นพเด็การเสทจริงจริงยังดีกว่าไม่ต้องเบืองเงินมากมายอย่างสมัยจอมพลสฤษดิ์บริหารประเทศใครๆเขาว่าท่านมันดีแต่เวลานั้นปรากฏว่าประเทศชายการ็รล่งเรืองเงินก็อุดหนาฟ้าข้าง ความสงบสุขก็มีมากคนที่เขาว่าไม่ดีไม่ดีนะไอ้คนดีทำได้อย่างเขาหรือเปล่าก็เ ป, เปล่าเอาคุยกันต่อไปท่านกล่าวว่าบรรดาพระราชาเมืองต่างๆที่ถูกยึดตัวมาอยู่ในที่นั้นโดยต่างก็สนับสนุนที่ยนยกกองทัพยึดราชสมบัติในกรุงมิถิลา เมื่อได้แล้วจะได้ทำพิธีดื่มนั่งชายบานฉันองชายนาวพระทีความจริงกับมือก็จ้อยรอยเท่านี้ตีเมื่อไรก็ได้เราต้งร้อยเมือ น, นี่มันเมืองเดียวนีเกวัดบริย์ก็ยังทูยืนยันห้ามปราไม่ยอมให้ยกยกท่าประยุทธ์หมายบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไอ้กรุงที่ลามาหานครไม่ได้ ถ้าเรายึดเขาก็ไม่แน่ว่าเราจะยึดเขาแล้อว่าเขาจะยึดเราอี่ตอนนี้ตามข้อริ่งท่านบอกว่าทําลายวิธีดื่มชายบาลท่านกล่าวว่าพระเจ้าจุนนีทรงเห็นด้วยกับบรหิตที่จะไม่ยกกองทัพเข้าไปยึดเมืองรุงมิทิลาจึ่งในพากันปรึกษากับบรหิตว่าอนี่เราจะทํำยังไงต่อไป มเมื่อตีเมืองต่างๆเสร็แล้วสงความตามที่เราปรารถนาที่เราตั้งใจไวน้นี้ท่านเกวกัดบริจึงกราบทูลว่าขอเดชะควรเตรียมพิธีดื่มน้ำชายบาลสังหารพระราชาโวกนี้ให้หมดมันไหนเอาเขาแล้วสิมันละเจ้าจอมเกเย้าเท่าสารพัดพิธีมันเอาคนแล้ว พระเจ้าจุนนีจินิส่งมอบพระบริโิตเป็นโ้จัดทาพิธีดื่มน้ำชายบานบรโิโิคจินิตกแต่งพระราชธิย า, านและให้ราชเสวกเตรียมสุราไว้ประมาณหนึ่งพันไหตั้นรอจินของบริโภคให้จัดไว้ยังพร้อมเปลี่ยงหมายเพียงพอ บรรดาทูตทหารก็มโมโหสดที่ตั้งไว้ก็ส่งข่าวการเตรียมดื่มน้ำชายบาลของพระเจ้าจนันีิสมัต์ให้มโมโหสดทราบโมโหสดก็ยังได้ทราบจากนกแก้วแสนรุ่นกว่าสุราที่เตรียมไว้นั้นเีิมยาพิษลงไปด้วยเพื่อทำลายพระราชาทั้งร้อยเอ็ดพระองค์มงโมโหสดจึงํำชับพูดว่า ถ้าหาทราบวันที่จะกทำวิธีเด่มสุราแน่นอนเมาาื่อไร่ขอให้ส่งข่าวไปให้ทราบทูตเมื่อทราบความกำหนดวันแน่นอนแล้วจึงนี้ส่งข่าวไปให้มโหสดทราบสำหรับมโหสถดมันบอว่าเราควรจะเป็นที่พึ่งของพระราชาชนหลายเหล่านั้นเห็นไหมประราชาชนต่างๆในความจริงต้องการยยึดเมืองมิเชลามหานคร แต่ได้ว่าบัณฑิตคือหมหสดกับคุความเมตตาปราณีหวังจะช่วยประชาชงหลายนี้ให้คนไัยท่านคิดว่าเราควรจะช่วยประชาชนทั้งหลายเหล่านั้นไม่ควรที่ต้องมาสิ้นไสชนเพราะเหตุเพียงเท่านี้แหละเมื่อดำหนิตท่านี้แล้วจะเรียกทหารที่เป็นสาชาติพันคน ธรรมศาสาชาติเหนือเนะพื่อนเกิดร่วมกันที่พ่อเลี้ยงไวนะ้เกิดวันเดียวกันพราเรือศาสชาติสหไปร่วมเลกกับนะเกิดร่วมวันเดียวกันมาคันคนเข้ามาไปชมุมแลได้แจ้งว่าสหายที่รักทั้งหลายเราขอร้องให้โพระท่านได้ช่วยทําประโยชน์สําคัญทุกอย่างหนึ่ง หวังว่าโค้ท่านคนจะร่วมมือในการนี้เป็นอย่างนีบรรดาทหารนี่หลายก็ถามว่าท่านบัณฑิตใจพะให้พวกข้าพเจ้าทำอะไรคอยท่านจนบัญชามาเถิดพวกเราพร้อมที่ทำตามทุกอย่างนี่แต่ความพร้อมเพรียงมันมีี่อย่างเดียวมากน้อยไม่สำคัญ คนถ้ามีความสามัคคีมีความสา ม, มารถมีความฉลาดคนน้อยก็ชนะคนมากได้ฟังต่อไปท่านมโมโหสุดยังบอกว่าเราขอบใจขอท่านมากที่ทีท่ขอร้องมีโพวกท่านให้ท่านทําก็คือเราได้ทราบจากสายรับของเราทรงข่าวมาว่าพระเจ้าจนน้นี่ยประทัด อุตรปัญจารานครในตกแต่งพระราชทิทยานเพื่อใช้เป็นสถานีทำวิธีดื่มน้ำชายบาลเตรียมสุราประมาณพันไหให้ประชาชาร้อยเอกนครดื่มในวันนั้นพวกท่านยมพากันไปที่พระราชวทยานของพระเจ้าจนานีทำลายวิธีดื่มน้ำชายบาลเสียโดยหาเรื่อง เสียงกันทะเลาะกันกับพวกขริการที่มาเตรียมการอยู่ในพิธีนั้นให้เราส่งเสียงโหร้องอาราวาสทุกตีให้สุลาให้หมดตลอดจนตั้งของบริโภคก็ช่วยกันเอาไปเททิ้งทิ้งให้หมดย้า้นำมาบริโภคได้เสร็จแล้วให้ส่งสัญญาณรวมพวกโดยเร็ว เมื่อพร้อมกันแล้วก็ให้ประกาศว่าพวกเรานะเป็นทหารขโมโฮสดบัณฑิตแห่งเมืองกรุงมิถิลามหานครหากใครกล้าไม่กลัวตายก็จงเข้ามาจับพวกเราเสร็จแล้วก็เดินกลับมาอย่างเป็นระเบียบนิรกิจที่เราขอร้องให้พท่าให้พวกท่านทำไม่เอาเรื่องเอาเรื่อง นี่คนพันค น, เ, นเข้าไปทำรายพิธีกรรมคนนับเป็นล้านล้านคนต้องคิดนี่ต้องคิดก็พระราชทานร้อยเอ็ดคนเนี่ยจะต้องมีลูกน้องไม่น้อยกว่าสองสามร้อยคนต้องคิดดูแล้วกองทหารของพระเจ้าจุล น, นีอีเท่าไหร่้ปดูต่อไปว่าคนแค่พันคน ย่าไปโ่เข็นคนที่มีกำลังมากกว่าเขาจะกลัวแล้วไม่กลัวฟังต่อไปนะเมื่อทหารพันคนรับบัญชาญแล้วต่างก็ทำความคารพโมโหศแยกกันไปเตรียมอาวุธนัดช้อมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงได้เดินทางออกจากกรุงมิถิลามุ่งไปสู่พระทุลิยานข้าวเจ้าจนนนี เห็นเสเวกระชาัดของ ร, ราชาร้อยเอ็ดพนครยกขึ้นบรนแถวเห็นไหายสุราและของบริโภคตั้งอยู่เย่างไรายจึงตรงเข้าไปบรรดาให้การนี้ก็คุมอยู่ที่นั้นก็ห้ามตอนนี้อย่าเข้ามานะเพื่าเรี่องพระราชากันแต่วันดาทหารคนนั้นก็ไม่ยอมเอไม่ยอมให้หนาหานั้น หมายความทหารของเขาก็ไม่ยอมให้ทหารมโหสถเข้าไปถ้าเกิดเทียนทะเลก็มีการใหญ่ทหารพันคนก็หัวร้องทุกตีหายสุราของบริโภคจนหาดีไม่ได้สไสดเรรสร็จแล้วก็ประกาศศรีว่าผูกตนเป็นทหารก็มโหสถบัณฑิตโอ้โหอาภร๊าวเพราะนี่ท่า น, ห, นหลายจงทราบว่าเราคือทหารก็มโหสถบัณฑิต ที่จะมาปราบปรามคนทุจริตคิดฆ่าพระราชาทั้งร้อยเอทโวจงทราบว่าความประสงค์ของท่านมันไม่ใช่ความลับเพราะเราอยู่ถึงกรุงมิจลามาณนครยังทราบความย่อย่อนของเจ้าเกาวัตข้าพระเจ้าฟรรมณีเจ้าเจริีฟมัทัตแหน่แม่ยง่นภาพทานต่างภาพมา การยกโภมากําจัดคนผ่านขันดานยากที่ไม่มีความซื่อสัตย์วิ ร, ร้ายศัจธรรมของคนดีการที่ประกาศตนว่าเป็นมิตรหมตรีสิ่งกะนแกันนั้นมันเป็นวิธีหลอกลวง่านั้นผู้เราเป็นทา ห, าาหารของกรุงวิจฉามหมานครมีมโหสถบัณฑิตเป็นจอมทัา เราทำงานเสร็จแล้วโคลากลับสวัสดีเพื่อนแล้วเขาก็เดินพากันกลับไม่รี่ไรขึ้นนาทีได้ความตามนางังสือในตอนนี้ว่าเมื่อสอบความทราบถึงพม่เจ้าจิน น, น, นท์ปรมธทัตก็ทรงพิโรธโกรธมากที่ถูกทหารแห่งกรุง ม, มิสิลามหานครมาทำลายพิธีพระองคค แล้วก็ทำให้สุราที่เกี่ยววิทยาพิชประกอบไว้เสียไปหมดและการที่ข้าพระราชาทั้งร้อยเอตนาคอนก็ต้องเสียวิีไปต้องเสียพิธีไปอัลมัรดาลูกหลานทั้งหลายที่รักต่อแต่นั้นไปพระเจ้าจุนนีพรมพัฒจะทำเป็นโดยการใดต่อไปเอาไว้ฟังกับวันหน้านะเพราะว่าวันนี้มาหมดเวลาแล้วก็ต้องขอลาก่อน ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์สนสนจึงมีแดบันดาแต็มพุะต่อสานในกาชนลูกหลานที่น่ารักทุกคนสวัสดี